เพท่านสาธุชนพุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่ส2องตุลาคมพุทธศักราช2567เเป็นวันที่ท่านสาธุชน พุทธบริษัทผู้ฝ่ายธรรมได้ตั้งใจมาวัดเพื่อมาฟังเทศฟังธรรมมาเรียนรู้คำส่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อนำเอาไปปฏิบัติให้เกิดคุณเกิดประโยชน์แก่ชีวิตจิตใจของตอนเองการแสดงธรรมที่นี่ก็จะมี ทุกวันเสาร์วันอาทิตย์วันพระวันหยุดราชการวันหยุ ด, ดเฉยเฉยตั้งแต่ประมาณเวลาบ่ายสองโมงไปจนถึงเวลาประมาณสามโมงสี่สิบห้านาทีคือช่วงแรก จะมีการแสดงธรรมจากบ่ายสองโมงถึงบ่ายสามโมงจากสามโมงก็จะมีการทำบุญถวายข้าวของกันญาติโยมมีจตุปัจจัยทายทานต่างๆที่ต้องการจะสร้างทานบา ร, รมีสร้างบุญสร้างกุศลก็จะนำเอาเข้ามาถวาย เสร็จจากนั้นก็จะมีการถามตอบคำถามทางธรรมทางการปฏิบัติธรรมไปจนประมาณถึงเวลา3โมง45นาทีก็จะเลิกประชุมกันนี่คือกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นทุกวันเสาร์วันอาทิตย์วันหยุดราชการวันพระวันหยุดชดเชย ท่านที่ต้องการที่จะฟังเทศฟังธรรมมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมควบคู่กันไปก็สามารถมาได้ตามวันเวลาดังกล่าวยกเว้นว่าถ้าเกิดมีเหตุบางครั้งเกิดฝนตกหนักก็อาจจะไม่สามารถที่จะแสดงธรรมเพราะเสียงฝนจะดังมาก ก็เลยใช้เวลานั้นให้กับการฝึกนั่งสมาธิกันไปจนกว่าฝนจะหยุดแล้วค่อยดำเนินการต่อไปการฟังเทศฟังธรรมนี้เป็นภารกิจที่สำคัญอย่างยิ่งเป็นภารกิจแรกของกระบวนการทางพระพุทธศาสนา คือทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ท่องปวงค ว, ความสุขความสุขความเจริญยที่ยั่งยืนนัาถาวรต้องเกิดจากการได้ศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนแล้วหลังจากนั้นจึงค่อยนำเอาไปปฏิบัติต่อพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็น พระธรรมที่ที่แน่แน่นอนที่ถูกต้องนั้นก็มีอยู่สองแหล่งด้วยกันแหล่งแรกก็คือในพระไตรปิฎกพระคำภีพระไตรปิฎกนี้เป็นที่รวบรวมพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ทรงแสดงไว้ ตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันหลังจากที่พระองค์ทรงตัดสั้พระธรรมอันเลิศอันประเสริฐแล้วพระองค์ก็ทร ง, งนำเอาพระธรรมที่ทรงรู้ทรงเห็นจากการศึกษาจากการปฏิบัติของพระองค์นำมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้ที่มีความสนใจ ทรงถือเป็นภารกิจที่สำคัญสำหรับพระ อ, องค์เองเป็นพุทธกิจซึ่งมีภารกิจที่พูะเจ้าทรงปฏิบัติอยู่ห้าข้อ้วยกันพุทธกิจห้าข้อข้อแรกก็คือการออกบิณฑบาตอันนี้เป็นภารกิจเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของพระ อ, องค์เองพระ อ, องค์ทรง ถือการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องต้องทำด้วยตนเองถ้ายังทำได้ถ้าร่างกายยังแข็งแรงก็ให้ออกบิณฑบาตเพราะอันนี้เป็นสัมมาชีพของนักบวชเป็นการเลี้ยงชีพที่ถูกต้องตามหลักธรรมมีคุณมีประโยชน์ทั้งร่างกายและจิตใจร่างกายก็จะได้ออกกำลังกาย จะได้มีความเข้มแข็งมีอายุที่มีสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวนานได้อาหารจากการจากลาแข้งลำขาของตนไม่ไปรบกวนไม่ไปเบียดเบียนไม่ไปให้ใครต้องมาเป็นภาระปล่อยให้เป็นไปตามกำลังศรัทธาของผู้ที่ปรารถนาที่อยากจะทำบุญให้ทาน ก็สามารถที่จะทำได้ถ้าไม่สะดวกหรือไม่อยู่ในวิสัยที่จะทำได้ก็ไม่ต้องทำไม่ต้องเดือดร้อนออพร อ, องทรงถึงเป็นภารกิจที่จะหนึ่งในภารกิจ5กิจ ด, ด้วยกันคือการบินทบาทอีกสีข้อของภารกิจ5พุทธกิจ5้นั้นเป็นเกี่ยวกับเรื่องการเผยแผ่ธรรมะ ในแต่ละวันคือช่วงบ่ายก็จะทรงแสดงธรรมสั่งสอนศรัทธาญาติโยมที่มีความสนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องของจิตใจเรื่องของการดับความทุกข์ของจิตใจเรื่องของการพัฒนาจิตใจให้ดีขึ้นให้สูงขึ้นไปตามลําดับก็ต้องฟังเทศฟังธรรมเรียนรู้วิธีการที่จะทําให้ เกิดความสุขและความเจริญให้แก่ชีวิตจิตใจของตนอันนี้คือภารกิจข้อที่สองคือตอนบ่ายแสดงธรรมโปรดจัตถายาตโยมพอยามคำ่ำก็ทรงแสดงธรรมโปรดนักบวชภิกษุภิกษุณีสัมมเนมสัมมเนรีผู้ที่ เป็นผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเห็นว่าการเวียนว่ายตายเกิดนี้เป็นทุกข์นั่นเองเป็นผู้เห็นภัยในสังสารวัตรคือเห็นภัยของการเวียนว่ายตายเกิดคำว่าภิกษุภิกษุณีก็คือเป็นผู้ที่เห็นภัยของการเกิดแก่เจ็บตาย จึงมีความปรารถนาะที่อยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิดนี้ mm. ก็เลยสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองออกบวชเป็นนักปฏิบัติเต็มรูปแบบ mm. เพื่อที่จะได้ปฏิบัติแบบสติปันสุติ ส, สุปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ mm. มีคือภารกิจช่วงที่สามของวัน ในยามคัแสดงธรรมโปรดนักบวชภิกษุภิกษุณีสา ม, มเณรสามเณรเลแล้วพอยามดึกก่อนจะพักผ่อนก็ส่งแสดงธรรมโปรดพวกกายทิพย์คือพวกเทวดาทั้งหลายเทวดาบางพวกก็จะเป็นพวกที่มีความใฝ่ธรรมมีความสนใจในธรรม ขารู้ว่ามีพระพุทธเจ้าหรือพระอาหารหันต์ที่สามารถแสดงธรรมติดต่อกับเทวดาได้ก็จะมาฟังเทศฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าและสนทนาธรรมกับพระพุทธเจ้าหลังจากนั้นพระองค์ก็จะท่งพักผ่อนหลับนอน จนถึงช่วงเช้าก่อนที่จะเสด็จออกมินธบาตเพระองค์ก็จะทรงเรยงยานดูว่าวันนี้จะไปแสดงธรรมโปรดใครเป็นกรณีพิเศษบุคคลที่มีจิตที่สุขงอมพร้อมที่จะบรรลุธรรมได้จากการฟังธรรมและอาจจะมีเหตุที่จะทำให้จะต้องเสียชีวิตไป ในระยะเวลาอันสั้นก็จะส่งม่วงไปโปรดบุคคลนั้นในวันนั้นต่อไปอทุกครั้งที่มีการแสดงธรรมก็จะมีพระภิกษุที่ติดตามได้ยินได้ฟังก็จะบันทึกกันเอาไว้จดจากันเอาไว้ในสมัยนั้นยังไม่มีการเรียนหนังสือไม่มีการเขียนหนังสือไม่มีการอ่านหนังสือ ก็อาศัยการจดจำการจดจำพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้ก็เป็นคุณเป็นประโยชน์หลายประการกับผู้ที่จดจำคือพระภิกษุหรือภิกษุณีเพราะว่าจะได้ทบทวนพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ให้หลงไม่ให้ลืม ขณะที่ทำการทบทวนก็จะเป็นการฝึกสมาธิฝึกสติไปภายในตัวแทนที่จะปล่อยให้ใจคิดเลื่อยเปลื่อยไปตามอำนาจของกิเลสตัณหาโมหะอาวิชชาก็เอามาคิดเรื่องคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าวันนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโตรดใครบ้างไปแสดงธรรมที่ไหน มีเรื่องอะไรบ้างก็จะจำคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้เพื่อไม่ให้หลงไม่ให้ลื ม, มเพื่อที่จะได้นำเอาไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อไปอย่างถูกต้องและในขณะเดียวกันก็จะได้รักษาพราะธรรมคำสอนนันประเสริฐนี้ไม่ให้จางหายไปจากโลกนี้พระภิกษุทุกลูกที่มาบวชจึงถือเป็นภารกิจ แรกของการบวชก็คือการศึกษาการเรียนรู้การจดจำด้วยการท่องบทพระธรรมคำสอนต่างๆที่เราเรียกว่าการท่องบทสวดมนต์บทสวดมนต์นี้ก็คือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าดีๆนี่เองที่ได้รับการคัดออกมาจากพระไตรปิฎกเป็นเรื่องๆไปเป็นพระสูตรไปเป็นสวด บ, บทธรรมจักรกับปวัตนสูตร สวนบทสติปัฐานสูตรสวนบทมงค ล, ลสูตรพระสวดเหล่านี้ล้วนเป็นการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นเป็นคำสั่งคำสอนที่ถูกต้องแม่นยำตามหลักความเป็นจริงทุกประการที่เรียกว่าสวากขาโตภัตวตาธรมูอคำสอนเหล่านี้ก็จะมีการจดจำ โดยพระภิกษุที่มาบวชคนที่มีความจำดีก็จะจำได้มากเช่นพระอนนท์ที่เป็นพระอุปถาพระพุทธเจ้านี้มีความจำที่เลิศสามารถจดจำการแสดงธรรมของพระพุทธเจ้าได้ทั้งหมดเวลาที่รับหน้าที่อุปถาพระพุทธเจ้า พระอนุลก็ตั้งเงื่อนไขไว้หนึ่งข้อว่าถ้าพระพุทธเจ้าไปสแสดงธรรมที่ไหนโดยที่พระอนนลไม่ได้ติดตามไปฟังด้วยก็ขอให้พระพุทธเจ้าเมื่อกลับมาที่ประทับแล้วได้โปรดสแสดงให้กับพระอนุลอีกครั้งหนึ่งเพราะพระอนุลต้องการที่จะเก็บบันทึกพระธรรมคำสั่งคำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้าไม่ให้ ศูนย์หายไปจากโลกนี้ก็จะมีการจดจำกันตลอดระยะเวลา45ปีด้วยกันเพราะธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีมากมายในพระไตรปิฎกที่รวบรวมกันน้อยได้ก็ประมาณ 84,000 ธรรมบทด้วยกันเพราะธรรมเหล่านี้จะได้มีการทบทวนรับรองจากพระอรหันต์500รูป ครั้งแรกเมื่อที่หลังจากที่พูะเจ้าได้ทรงจากโลกนี้ไปสามเดือนพระเถระคือพระมหากัสปะก็ทรงเรียกประชุมพระอาหารหันตสาวกเอาแต่พระอาหารหันนั้นเพราะว่าพระอาหารหันนั้นที่จะเป็นผู้ที่รู้ความจริงได้อย่างถูกต้องเอามาห้าร้อยรูป พ้าเหล่านี้ก็คยสวดคอยจดคอยจำพระสูตรต่างๆของพระพุทธเจ้าแล้วก็เอามาทบทวนกันพระสูตรแต่และพระสูตรว่าทรงสแสดงว่าอย่างนี้เป็นอย่างนี้ถูกต้องไหมถ้าไม่ถูกต้องก็จะได้มาประชุมแก้ไขให้ให้ถูกต้องตามหลักธรรมความเป็นจริงนี่คือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ เป็นสวากขาโตพระกวตาธรรมโอ mm hmm. เป็นธรรมที่ตัดไว้ชอบแล้วตรงกับหลักความเป็นจริงทุกประการ mm hmm. ชาวพุทธเราผู้ที่ต้องการจะศึกษาพราะธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า mm hmm. จึงควรไปศึกษาจากแหล่งที่ถูกต้องก่อน mm hmm. ก็คือจากจากพระไตรปิฎกซึ่งการจะศึกษานี่ก็ จ, จะมีหลายวิธี mm hmm. เช่นพระภิกษุที่มาบวช ได้ศึกษาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าก็าจะคัดพระสูตรต่างๆออกมาแสดงในวันธรรมะสวรนะในวันฟังธรรมเวลาที่เราไปฟังเทศฟังธรรมในวัดในโบสถ์นี่ท่านมักจะมีใบลานใบลานนี้ก็คือคัดลอกคําสอนของพระพุทธเจ้าบทใดบทหนึง่งเอามาแสดงในในวันนั้น เป็นพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้น mm hmm. ผู้แสดงอย่างนี้ไม่กล้าที่จะแสดงธรรมของตนเองถ้ายังไม่ได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตัดสาวกของพระพุทธเจ้า mm hmm. จะยึดหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า mm hmm. เป็นแนวทางในการเผยแผ่สั่งสอนธรรมะของพระพุทธเจ้า mm hmm. เพื่อที่จะได้ไม่สร้างความลังเลสงสัยสร้างความสับสน ให้กับผู้ที่มาศึกษาเพราะว่าจะเป็นคําสอนอันเดียวกันคําสอนที่ออกมาจากพระไตรปิฎกนั้นเป็นอันเดียวกันมงคลละสูตรมงคลสามสิบแปดข้อนี้เป็นอันเดียวกันไม่มีใครที่จะมามาแยง้งมาเปลี่ยนว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ น, นี่คือการศึกษาพระธรรมเราก็ต้องศึกษาจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องอ บางครั้งบางคราวเราอาจจะไม่ได้ยินได้ฟังจากคนนั้นบ้างคนนี้บ้างสอนให้ทำอย่างนั้นสอนให้ทำอย่างนี้บ้างโดยที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาลู้จริงเห็นจริงหรือไม่หรือแหล่งข้อมูลที่เ็เอามานี่เป็นแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องหรือไม่ซึ่งในยุคปัจจุบันนี้มักจะเกิดปัญหาขึ้นมาในระหว่างชาวผู้ชมเราเพราะว่ามีการ แสดงทำกันโดยที่ตนเองนั้นบางทีก็ยังไม่ได้บรรลุธรรมเอาเพียงแต่ความรู้สึกนึกคิดของตอนเองมาแสดงอย่างนี้เป็นเรื่องของเป็นสิ่งที่อันตรายเพราะอาจจะมีการเผยแผ่ความรู้ที่ไม่ถูกต้องได้ถ้าตนเองไม่รู้จริงเห็นจริงไม่ได้บรรลุธรรมอย่าพึ่งไปเป็นครูเป็นอาจารย์พยายามศึกษา ให้เรียนรู้ให้บรรลุถึงทำขั้นสูงสุดเสียก่อนแล้วค่อยนำเอาไปถผยแผ่สั่งสอนแก่ผู้อื่นต่อไปจะไม่เกิดปัญหาตามมาแต่ถ้ายังไม่ได้บรรลุทำเพียงแต่ได้ศึกษาได้เอามานึกเอามาคิดแล้วก็เอามาสรุปว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้แหละมันจะเป็นปัญหาขึ้นมาได้ เพราะการสรุปโดยที่ไม่มีการปฏิบัติมาเป็นเครื่องยืนยนันเป็นเครื่องพิสูจนะ์ก็จะไม่รู้ว่าดับความทุกข์ได้จริงหรือไม่นะเป็นธรรมที่สามารถนำอาไปกําจัดความทุกข์ต่างๆที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้หรือไม่เพราะตอนเองยังไม่ได้ปฏิบัติตยัง ไม่ได้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจของตนเองให้หมดสิ้นไปถ้ามาถ้าทำตนเป็นครูเป็นอาจารย์ mm hmm. มันก็จะเกิดปัญหาตามมาเพราะว่าจะมีความนึกคิดที่ไม่ตรงกันนั่นเองคนนี้ก็คิดอย่างนั้นคนนี้ก็คิดอย่างนั้นแล้วก็มาเป็นครูเป็นอาจารย์กัน mm hmm. แล้วนีไม่ดีก็มาทะเลาะ ก, กัน mm hmm. ว่าความคิดของตนถูก ความคิดของเขาผิดอย่างที่มีนิทานเรื่องของคนตาบอดห้าคนไปทำช้างคนตาบอดมันก็มองไม่เห็นตัวช้างมันก็จะใช้มือไปทำส่วนต่างๆของช้างคนหนึ่งไปไปทำที่หางช้างก็ว่าช้างเป็นเหมือนเชือบอีกคนก็ไปทำที่งา ก็บอกว่าช่างนี่นเหมือนห อ, อกหัวห อ, อกมันแหลมคมเดกคนไปจับที่งวงก็ว่าเป็นเป็นงูใหญ่เป็นงูยักษ์เดกคนก็ไปจับที่หูก็บอกว่าเป็นใบพัดเดกคนไปจับที่ท้องก็ว่าเป็นกําแพงเป็นขากำแพงแล้วก็มานั่งเถียงกัน ของแต่ละคนก็ถูกของตอนเองฉันว่ามันเป็นเชือก เ, ออเพราะมันเป็นเชือกจริงๆฉันไม่จับที่หางมันเด็กคนบอก ว, ว่ามันเป็นงูเพราะเราไปจับที่งวงมันอีกคนก็บอกว่าเป็ น, ปนหอกหัวห อ, อกเพราะไปจับที่งา อ, อ, อย่างนี้เป็นต้นนี่คือลักษณะของผู้ที่ศึกษาแล้วไม่นำเอาไปปฏิบัติศึกษ า, าจะศึกษาจากว่าทำคําที หรืออาจจะได้ยินได้ฟังจากพระอริยบุตสงสาวก ข, ของพ่อพุทธเจ้า<ม>แล้วก็เอามาคิดเอามานึกเอามาคิดแล้วก็เอามาสรุปว่าตัวเองรู้แล้วเห็นแล้วเข้าใจแล้วมีดวงตาเห็นธรรมแล้วโดยที่ไม่รู้เลยว่าความทุกข์ที่มีอยู่ในใจนี้ได้ทำให้มันหมดไปแล้วหรือยังเพราะยังไม่ได้นำมาไปปฏิบัติ การปฏิบัตินี้ถ้าจะเป็นความรู้จริงนี้มันต้องปฏิบัติมันต้องเกิดจากการที่มีความทุก์ในใจอย่างที่มีคําพูดว่าทุกบ่มีปัญญาบ่เกิดอันนี้แหละีปัญญาก็คือสามารถดับความทุกข์ใจได้เช่นถ้าเราเป็นโรคมะเร็งหมอบอกว่ารักษาไม่หายแล้วเหลืออีกสามเดือนแล้วเกิดความทุกข์ใจขึ้นมา ตอนนั้นนหะถึงจะรู้ว่ามีปัญญามาดับความทุกข์ใจได้หรือไม่ไม่ทุกข์กับการเป็นโนกมะนเ็งไม่ทุกข์กับการการที่จะตายภายในระยะเวลาสามเดือนได้หรือไม่อันนี้ถ้าใจสามารถเอาปัญญามาสอนว่าร่างกายเป็นอนิจจังไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีเจ็บไายได้ป่วยแล้วก็ต้องมีตายไปตามเป็นตามเป็นธรรมดา ยอมรับความจริงเห็นความจริงอันนี้หรือเปล่าเห็นว่าร่างกายไม่ใช่ตัวเราหรือเปล่าร่างกายที่ตายนี้ไม่ใช่ใจใจผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้ไม่ใช่ใจไม่ใช่ร่างกายใจไปทุกข์กับร่างกายทำไมเมื่อใจไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายใดอย่างใดอันนี้แหละต้องมีถ้าถ้าเห็นตามความเป็นจริงที่พระเจ้าได้ทรงสั่งสอน ว่านั่งกายไม่ใช่ใจนั่งกายไม่ใช่ตัวตนน่างกายเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศอย่างนี้ฝนตกแล้วเดี๋ยวฝนก็หยุดได้มีเกิดแล้วก็มีดับตอนนี้ฝนตกมันไม่ตกไปตลอดเดี๋ยวมันก็ต้องหยุดแล้วก็จะไปสั่งมันไม่ได้เป็นเป็นอนัตตาจะให้มันหยุดเดี๋ยวนี้ก็มันก็ไม่หยุดฉันใดร่างกายก็เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเป็นเหมือน เหมือนเหมือนฝนเหมือนแดดนี่เองมีเกิดมีดับไปตามภาวะของเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดมันดับถ้าเห็นตามความเป็นจริงเห็นร่างกายเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาทุกขังก็จะไม่เกิดความทุกข์ใจที่มีในใจก็จะดับไปเพราะเห็นว่าความทุกข์ใจนี้เกิดจากความความอยากไม่ตายนั่นเองความอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วย พอยอมรับว่าห้ามร่างกายไม่ให้ตายไม่ได้ห้ามร่างกายไม่ให้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้ไปอยากไม่ได้อยากไม่เจ็บไม่ได้อยากไม่ตายไม่ได้เพราะความอยากนี้เป็นสมุทัยเป็นต้นเหตุของความทุกข์ใจนั่นเองที่ทุกข์ใจเพราะไม่อยากตายเพราะไม่อยากให้ร่างกายเป็นโรคมะเร็งกันท่านั้นเองอันนี้แหละมันต้องเจอโรคมะเร็งก่อนมันถึงจะรู้ว่าทุกข์หรือไม่ทุกข์ ลดดับทุกได้หรือไม่ได้ตอนยังไม่เป็นโรคมะเร็งเพียงแต่ฟังตอนนี้ญาติโ ย, ยมบางคนก็โอ๊ยสบายมากรู้แล้วว่าร่างกายต้องตายร่างกายต้องเป็นโรคมะเร็งมันไม่ใช่ตัวเราของเราปล่อยให้มันตายก็อาจจะคิดว่าเข้าใจแล้วไม่ทุกข์กัมาแล้วอันนี้ยังไม่ไมแน่จริงยังไม่แน่ชัดต้องพิสูจน์ดูก่อนต้องให้มีทุกข์ขึ้นมาก่อน แล้วดูซิว่าความรู้ที่เราได้ยินได้ฟังได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์ก็ดีจากพระไตรปิฎกก็ดีนีจากหนังสือธรรมะต่างๆก็ดีว่าเราสามารถเอาความรู้เหล่านี้มาดับความทุกข์ใจได้หรือไม่ถ้าดับความทุกข์ใจได้มีความมั่นใจไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ทุกข์กับโรคมะเร็งจะเป็นมะเร็งเมื่อไหร่เวลาไดที่ไหน จะไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนจะตายเมื่อไหร่ที่ไหนก็ไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนอย่างนั้นน่ถึงจะเรียกว่าเป็นการรู้ทำเห็นธรรมอย่างแท้จริงเป็นปัญญาที่แท้จริงเป็นปัญญาที่ดับความทุกข์ใจได้ความรู้ที่เราเรียนรู้ในขนะนี้จากที่การได้ยินได้ฟังธรรมะอยู่เรื่อยๆนี้เราสามารถเอามาดับความทุกข์ใจได้หรือไม่เราจะไม่รู้ก็ต่อเมื่อเราจะรู้ก็ต่อเมื่อ เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วเราสามารถดับความทุกข์ใจนั่นได้หรือเปล่า น, นี่คือเรื่องของพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องเรื่องการศึกษาพระธรรมคำสอนเรื่องต้นเราต้องศึกษาคำถอนที่ถูกต้องก่อนศึกษาจากพระพุทธเจ้าก็ดีในาพระไตรปิฎกก็ดี หรือศึกษาจากพระอาหารหันตสาวกพระอาาริยสองสาวกทั้งหลายกด็ดีท่านเหล่านี้ท่านจะมีดวงตาเห็นธรรมเห็นอาาริยสัจ ส, สี่เห็นใจรักณถึงแม้ว่าท่านยังอาจจะไม่บรรลุถึงท่านสูงสุดแต่ท่านก็จะไม่หลงทางอย่างแน่นอนท่านรทางสู่การหลุดพ้นสู่การดับความทุกข์เพียงแต่ว่าท่านยังไม่ได้สามารถก้าวขึ้นไปสู่ ข้อสอบที่ที่สูงกว่าที่ท่านได้กระทําอยู่ในขณะ น, นี้แต่ไม่ช้าก็เร็วท่านก็จะขยับขึ้นไปตามตามเวลาตามการปฏิบัติพอได้เป็นพระโสดาบันแล้วนี่เป็นพระระยะบุคคลขั้นที่หนึ่งแล้วนี่มันจะไปของมันโดยอัตโนมัติไปสู่ขั้นที่สองขั้นที่สามขั้นที่สี่เพราะว่า ใจได้ลงเข้าสู่กระแสพระนิพพานแล้วคำว่าโสดาบันนี้เป็นผู้ที่เข้าสู่กระแสของพระนิพพานโสดะแปลว่ากระแสกระแสแห่งการหลุดพ้นคือพระนิพพานใครได้เข้าสู่กระแสแล้วก็จะไปถึงพระนิพพานอย่างแน่นอนเหมือนเราลงแม่น้ำมาจาแม่น้ำเจ้าพญามาจากทางเหนือเนี่ย ถ้อยู่ในแม่น้ําไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ําก็จะพาเราออกสู่อ่าวไทยในที่สุดเพราะมันเป็นทางทิศทางเดียวที่มันจะไปมันไม่ไปทางอื่นฉันใดท่านเหล่านี้จะรู้ทางสู่การหลุดพ้นแต่ท่านยังอาจจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่สูงสุดแต่ไม่ช้าก็เร็วเมื่อท่านได้การปฏิบัติของท่านไม่ ไม่ให้เสียเวลาไปกับการทำภารกิจอย่างอื่นท่านก็จะสามารถไปถึงพระนิพพานได้ภายในเจ็ดวันก็ดีเจ็ดเดือนก็ดีหรือเจ็ดปีก็ดีหรือเจ็ดชาติก็ดีเป็นอย่างมากอันนี้ขึ้นแล้วแต่สถานภาพของแต่ละบุคคลว่ามีภารกิจผูกพันมีความนับผิดชอบอะไรขวางอยู่หรือไม่ บางคนอาจจะมีภารกิจที่จะต้องดูแลใครยาวเวลาไปปฏิบัติอย่างเต็มที่ก็ยังไม่ได้อย่างพระอา น, นนท์นี่ท่านก็เป็นพระโสดาบันแล้วท่านก็ไปรับภาระรับใช้พระพุทธเจ้าอยู่20่สบกว่าปีด้วยกันตลอดระยะเวลานั้นไม่มีเวลาไปปรีกวิเวกไปปฏิบัติเพิ่มเลยก็เลยไม่สามารถบรรลุได้ในขณะที่พระพุทธเจ้ายังมีชีวิตอยู่ แต่พอหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้นิพพานไปแล้วก่อนนิพพานท่านก็บอกพระนนว่าเธอไม่ต้องเสียใจจากการจากไปของเราเพราะว่าเธอจะมีเวลาได้ปฏิบัติและภายในเวลาสามเดือนนี้เธอก็จะบรรลุปเป็นพระอราหันต์ได้แล้วก็เป็นไปตามความทานายของพระพุทธเจ้าพอพระพุทธเจ้าดับขันพระนิพานแล้ว ถ้าโนนก็ว่างจากภารกิจภาระดูแลพระพุทธเจ้าไม่ต้องมาคอยรับใช้คอยดูแลก็มีเวลาไปปรีกวิเวกอยู่ตามลำพังไปภาวนาเพื่อกำจัดกิเลสตัณหาเพื่อเจริญสติสมาธิปัญญาให้มีเพิ่มมากขึ้นไปตามลำดับจนในที่สุดก็าสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ในคืนก่อนที่จะมีการสังพยาาพระไตยปิฎกเป็นครั้งแรก การสังฆานานี้เขาต้องรอให้พระอนุนเป็นพระอหลานก่อนถึงจะเข้าไปได้ถึงจะไปเข้าไปในวงประชุมได้เพราะถ้ายังไม่เป็นพระหลานมีความรู้ยังไม่สมบูรณ์ความรู้ยังมีกิเลสปนอยู่ mm hmm. มีความหลงความไม่เห็นตรงตามความเป็นจรงิงอยู่คือยังมีโมหะอวิชชาครอบงำอยู่บางส่วน mm hmm. ก็เลยยังไม่ให้พระอนนเข้าประชุม การประชุมก็ยังไม่เริ่มจนกว่าจะรอให้พระอานุ์ได้บรรลุเป็นพระอารหันต์ก่อนเพราะว่าพระอานุ์นี้เป็นผู้ที่จดจําพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าได้มากที่สุด ก, ก็เลยรอให้พระาอานุลบรรลุพอพาอาระอนุลบรรลุก็เริ่มประชุมสังขายนากันต่อได้เลยแล้วก็มีการทบทวนกันมาเป็นยุคยุคเป็นสมัยสมัยมา จนมาถึงยุคที่เราสามารถบันทึกเอาไว้เป็นตัวอักษรได้ก็เลยใส่ไว้ในพระคัมภีร์ที่มีชื่อว่าพระไตรปิฎกแล้วคําสอนต่างๆตามวัดวารามต่างๆที่พระสงฆ์ อ, องค์เจ้านํำมามาสั่งสอนนี้ก็คัดมออกมาจากพระไตรปิฎกทั้งนั้นจ<ๆ>ึงเชื่อว่าเป็นคําสอนที่ถูกต้อง <S <S <S <ๆ>สามารถที่จะยึดเป็นแนวาทางในการใช้ในการปฏิบัติธรรม เพอให้เจริญมรรคผลนิพพานได้อย่างแน่นอนนี่คือแหล่งของความรู้ที่ถูกต้องที่เราควรจะศึกษากันในเบื้องต้นศึกษาจากของพระพุทธเจ้าก่อนแล้วต่อไปเราอาจจะไปฟังเทศฟังธรรมหรือคนนั้นพูดอย่างนั้นคนนี้พูดอย่างนี้เราก็จะได้รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงเขาพูดตามหลักคาสอนของพระพุทธเจ้าหรือไม่ ถ้าเราไม่ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนเนี้เราจะไม่รู้ว่าคนที่เข้ามาพูดว่าธรรมะเป็นอย่างนั้นธรรมะเป็นอย่างนี้ต้องปฏิบัติอย่างนั้นต้องปฏิบัติอย่างนี้เขาพูดตามที่พระเจ้าทรงสอนหรือไม่แต่ถ้าเราได้ศึกษาจากคำสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ก่อนแล้วพอใครมาสอนอะไรที่มันไม่ตรงกับคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ปฏิเสธได้ ไม่ต้องไปไม่ต้องไปเชื่อ mm. ใช้หลักคารลามสูตรก mm. ารลามสูตรท่านสอนว่าอย่าไปเชื่อใครแบบงมงายอย่าไปเชื่อโดยที่ยังไม่ได้มีการพิสูจน์ mm. เขาว่าเป็นอย่างนั้นก็อย่าไปเชื่อเขาเป็นอาจารย์เราก็อย่าเพิ่งไปเชื่อ mm. เชื่อแบบเชื่อเชื่อแบบฟังหูไว้หูคือเชื่อแบบไม่ปฏิเสธแต่ก็ไม่เชื่อแบบงมงาย คื อ, อต้องเชื่อเพื่อนํำมาไปปฏิบัติครูบาอาจารย์บอกให้ทําอย่างนี้แล้วจะได้อย่างนี้เราก็ต้องอยากจะรู้ว่าท่านพูดจริงหรือไม่จริงสอนถูกหรือไม่ถูกเราก็ต้องนํามาไปปฏิบัติถ้าปฏิบัติแล้วมันเป็นผลอย่างที่ท่านสอนจริงๆอย่าง น, นี้ก็รับก็รับได้รู้ได้ว่าอันนี้เป็นคําสอนที่ถูกต้องอคําสอนทั้งหมดนี้มันจะต้องมาได้รับการกัดกรองจากการปฏิบัติของเรา พราะคำสอนต่างๆนี้มีไว้เพื่อกำจัดความทุกข์ที่มีในใจของเราให้หมดสิ้นไปนั่นเอง <Yeah. S 1> ถ้าคำสอนที่เราได้ศึกษามาเอามาใช้แล้วไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้เราก็จะได้เระแวงขึ้นมาได้ว่ามันเป็นคำสอนที่ถูกต้องหรือไม่หรืออาจจะเป็นคำสอนที่ถูกต้องแต่เรายังปฏิบัติไม่ถึงก็ได้ ปฏิบัติไม่ถูกตามคําสอนก็ได้อันนี้เราก็ต้องพยายามปฏิบัติไปเรื่อยๆ <Yeah. S 1> อย่าเพิ่งไปเชื่อร้อยเปอร์เซ็นเชื่อหูฟังหูไว้หูเชื่อห้าสิบไม่ไม่ปฏิเสธแต่ไม่ก็ไม่รับมาว่าจะเชื่อแบบตามที่เขาพูดทันทีเพราะไม่รู้ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงบางทีนคนเวลาเขาทองมาขายเรานี่เขาบอกทองร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเก้าจุดเก้าเนี่ย เราจะไปรู้ได้ไงถ้าดูด้วยตาเฉยๆไม่รู้หรอก mm. เราก็ต้องาพาเอาไปที่ร้านทองร้านที่ไว้ใจได้ให้เขาพิสูจน์ให้ดูหน่อยว่านี่มันทองกี่กี่เปอร์เซ็นต์กันแนะ่ mm. เราก็จะมีเครื่องไฟเผาเผาทองแล้วเขาก็จะสามารถวัดปริมาณของทองได้ว่ามีกี่เปอร์เซ็นต์ mm. อันนี้แหละคือต้องอย่าไปเชื่อแบบวงงานเชื่อแบบวงงานก็เชื่อใครเขาพูดอะไรก็เชื่ออะไร mm. ดัง น, นี้ต้องเอาไปพิสูจน์โดยอีกทีก่อนว่าจริงอย่างที่เขาพูดหรือไม่ถ้ายังพิสูจน์ไม่ได้ก็รอไว้ก่อ น, อนรอไปจนกว่าเราจะพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างแน่นอนว่าจริงหรือไม่จริงถ้าไม่จริงเราก็เลิกเชื่อได้ถ้าจริงเราก็เราก็เชื่อได้ น, นี่คือเขาทำคําสอนของพระพุทธเจ้าที่พวกเรามาศึกษากัน มีแหล่งแรกที่เราควรจะเข้าหาก็าคือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงจากพระไตรปิฎกอาจจะไม่ต้องไปอ่านพระไตรปิฎกเองเดี๋ยวนี้มีหนังสือของของทำพุทธศาสนานที่คัดลอกออกมาเป็นพระสูตรต่างๆเช่นมงคลตัวสูตรมงคลสามสิบแปดมีสติปัฏฐานสูตรสอนวิธีเจริญสตินั่งสมาธิเจริญปัญญาเนี่ยอยู่ใน อยู่ในสติปฐานสูตรหรือธรรมจักกับปวัตนสูตรก็แสดงมรรคแดแสดงอริยสัจสี่อันนี้เป็นความรู้ที่เราต้องรู้แล้วนำออกไปปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลขึ้นมาแล้วเมื่อเราได้เรียนรู้เหล่านี้แล้วแล้วเ ร, เราอาจจะต้องไปปฏิบัติอยู่ตามสำนักต่างๆอยู่กับครูบาอาจารย์ต่างๆ เพราะเราไม่สามารถที่จะปฏิบัติเองได้ยังต้องอาศัยติวเตอร์นอกจากมีหนังสือธรรมะของพระเจ้าแล้วแต่บางทีอ่านแล้วไม่เข้าใจไม่แน่ใจว่าปฏิบัติแบบนี้ถูกไม่ถูกเราก็า จ, จะต้องไปอยู่กับผู้ที่มีประสบะการณ์ในในการปฏิบัติก็คือพระสุ ป, ปฏิปโนทั้งหลายพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไปศึกษาไปอยู่ไปปฏิบัติกับท่านดูอีกที แต่อย่างน้อยเรามีพื้นฐานความรู้ทางทางธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติอย่างไรพอ<ม>เราไปอยู่สำนักนั้นก็ดูว่าท่านสอนตรงกันหรือไม่มถ้าสอนไม่ตรงกันนี้ก็น่าจะคิดแล้วว่ามันไม่ตรงกันนะเ<ม><ม>ช่นบางสำนักบางแห่งไม่ทราบนะมีจริงหรือเปล่าแต่มีการพูดกันว่า การนั่งสมาธินี้เป็นบาปไม่ไม่ควรนั่งอย่างนี้อันนี้มันไม่ถูกเพราะในมรรคแปดท่านก็บอกให้แสดงไว้สาัมมาสมาธิให้ฝึกสติฝึกสมาธิทำใจให้สงบให้นิ่งให้นับปัญาสมาธิให้เข้าฌานสี่อันนี้เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้า แล้วใครมาบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องปฏิบัติสมาธินี้มันก็ขัดกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว mm hmm. แต่ถ้าเราไม่ศึกษามรรคแปดเราก็จะไม่รู้ว่ามรรคแปดมีอะไรบ้าง mm hmm. พอใครเข้ามาบอกว่าปฏิบัติแบบนี้เลยสมาธิสมัยนี้มันมันยากไม่ต้องใช้สมาธิก็ได้ใช้ปัญญาเลยเราเป็นปัญญาชนแล้วยุคนี้สมัยนี้ เรามีการเรียนการเรียนการศึกษาสูงจบปริญญาตรีโทเอกแล้วมีความรู้ที่สามารถใช้เป็นปัญญาอบรมสมาธิได้เขาพูดไปแบบนั้นครับ แ, แล้วทําให้ใจสงบได้มไหมการใช้ปัญญาที่เรารู้ความรู้ที่เรารู้กันทําใจให้รวมเป็นหนึ่งศักแต่ว่ารู้ได้หรือเปล่า อ, อันนี้มันต้องพิสูจน์ดูกันทีนี้นะ เวลาไปศึกษาตามสำนักต่างๆเราไม่รู้นี่ว่เจ้าสำนักนี้ท่านบรรลุจริงหรือไม่บรรลุจริง mm hmm. ท่านเป็นหรือบรรลุแบบที่ท่านคิดว่าท่านบรนรลุบรรลุด้วยความคิด mm hmm. หรือบรรลุด้วยการปฏิบัติ mm hmm. ปัญญามันมีสองระดับระดับความคิดกับระดับปฏิบัติ mm hmm. ระดับความคิดก็จินตามัยยะปัญญา mm hmm. ปัญญาที่เกิดจากความรู้สึกนึกคิด จากการที่ได้ศึกษาได้ยินได้ฟังธรรมแล้วก็เอามาคิดใต่ตองไข้ควรถ้าเป็นปัญญาแบบนึกคิดนี้ท่านบอกว่ายังไม่ใช่เป็นปัญญาเป็นปัญญาที่จะสามารถกําจัดความทุกข์ให้หมดไปจากใจได้ไม่สามารถนํำมาไปดับความทุกข์ได้ความปัญญาที่จะมาดับความทุกข์ได้ต้องเป็นปัญญาที่เรียกว่าภาวนามายาปัญญาปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติ ต้องเกิดจากการปฏิบัติสมาธิก่อนสมถภาวนาก่อนให้มีสมาธิให้จิตมีอุเบกขาก่อนมีพลังที่จะสู้กับกิเลสตัณหาให้ได้ก่อนเมื่อมีพลังหยุดกิเลสตัณหาได้แล้วเมื่อใช้ปัญญาพิจารณาในอริยสัจส์่ก็จะเห็นว่าเวลาทุกเวลาใจเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็เกิดจากกิเลสตัณหาความโลภ ค, ความอยากต่างๆนี่เอง พอรู้ว่าทุกเกิดจากความโลภความอยากถ้าใจมีอุเบกขามีกําลังหยุดก็สามารถหยุดกิเลสตัณหาได้ทันทีเช่นรู้ว่าทุกเพราะว่าไม่อยากตายถ้าไม่อยากจะไม่ทุกก็ต้องหยุดความไม่อยากตายเสียยอมตายยอมตายได้หรือเปล่าถ้ามีสมาธิมีอุเบกขาสามารถยอมตายได้เพราะการยอมตายก็คือการอยู่เฉยๆนั่นเอง ปล่อยให้ร่างกายมันตายไปไม่ต้องไปทําอะไรกับมันมันจะอยู่ก็ปล่อยมันอยู่ไปมันจะตายก็ปล่อยให้มันตายไปไม่ต้องไปทําอะไรให้ใจมีอุเบกขา ว, วางเฉยแค่นั้นเองพอรู้ว่าถ้าไปอยากให้มันไม่ตายก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาทันทีออันนี้แหละต้องเป็นปัญญาระดับปฏิบัติและจะจะเป็นปัญญาระดับปฏิบัติก็ต้องมีสัมมาสมาธิเป็นผู้สนับสนุน มีจิตที่สงบนิ่งไปดูเบกขาสักแต่ว่ารู้ถึงจะสามารถที่จะนึ่งเวลาเกิดความอยากไม่ตายได้ก็หยุดความอยากไม่ตายได้ทําใจให้เฉยๆให้ความอยากไม่ตายก็จะหายไปปล่อยให้ร่างกายมันตายไปไม่ต้องไปทําอะไรกับร่างกายดูแลมันไปตามอัตรภาพมันยังกินได้ก็ปล่อยมันกินถ้าก็ป้อนมันมันดื่มได้ก็ให้มันดื่ม มันหายใจได้ก็ปล่อยให้มันหายใจไปแค่นั้นเองเมื่อไหร่มันหยุดหายใจมันก็ตายไปมันไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนเรื่องของความตายและไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวแต่อย่างใดถ้าเราสามารถแ ย, แยกแยกใจกับร่างกายออกจากกันได้ใจเป็นเพียงผู้รู้ผู้คิดแค่นั้นเองผู้สั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆตามความอยากของตนแต่ความอยากของตนนี่แหละเป็นตัวที่สร้างความทุกข์ขึ้นมา เวลาอยากในสิ่งที่ทำไม่ได้เช่นอยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากไม่ตาย<ม>ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าไม่อยากจะให้เกิดความทุกข์อยากให้ความทุกข์หายไปก็อยากไปอยากให้มันไม่เจ็บไม่ตายเท่านั้นเอง<ม>อันนี้จะเรียกว่าเป็นภาวนามายปัญญา<ม>เป็นปัญญาที่แท้จริงเป็นปัญญาที่สามารถดับความทุกข์ที่มีในใจให้หมดสิ้นไปได้ ปัญญาที่เกิดจากความคิดคือจินตาเมยะปัญญานี้ใครๆก็คิดได้คิดอริยสัจสี่ได้คิดว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาแต่ก็ยังทุกข์กับมันอยู่เวลาคิดถึงความเจ็บไข้ได้ป่วยอาจจะไม่อาจจะไม่ทุกข์ก็ได้เพราะรู้ว่าความทุกข์เกิดจากความอยากแต่พอไปเจอของจริงขึ้นมาจะหยุดความอยากได้หรือไม่อันนั้นต้องไปต้องไปพิสูจน์ดู นักปฏิบัติถึงบางทีต้องไปหาที่เสี่ยงเสี่ยงต่อความเป็นความตายเนี่ยพระปฏิบัติในส่วนใหญ่ท่านจะเข้าป่าเข้าเขากันไปหาสิงสาราสัตว์ไปหาสถานที่ที่หวาดกลัวน่ากลัวอาจจะต้องถึงแก่ความตายไปอยู่ในสถานที่นั้นแล้วมันจะรู้ว่าใจนิ่งหรือไม่นิ่งใจทุกข์หรือไม่ทุกข์บางคนนี่ขึ้นไปปฏิบัติทำมูลเขาได้ไม่ถึงคืนก็ขอกลับบ้านก็มี ต่อไปทึงเขามาบอว่าไม่รู้อะไรมันโผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยมันไม่มีมันจิตมันหลอกเอาเองจิตมันปรุงแต่งขึ้นมาเห็นอะไรเป็นสิ่งที่น่าน่าหวาดกลัวไปตั้งใจจะอยู่ค้างคืนแต่อยู่ไม่ได้สองทุ่มขอลากลับก็มีอันนี้แหละแสดงให้เห็นว่าเป็นเพียงจินตาเป็นความคิดทางปัญญาไม่ใช่เป็นปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติถ้าปัญญาเกิดจากการปฏิบัติต้องทําใจให้นิ่งได้ จะทำใจให้นิ่งได้ต้องฝึกสตินั่งสมาธิให้เป็นอัปปนาสมาธิขึ้นมาพอเวลาจิตใจเกิดความหวาดกลัวขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็ทําให้มันหายไปได้หยุดมันได้อันนี้ถึงจะเป็นปัญญาที่แท้จริงปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติเรียกว่าภาวนามาย์ปัญญาต้องมีสัมมาสัสามมาสมาธิสัมมาสมาธิก็ต้องเกิดจากการมีสัมมาสติ เพราะว่าอยู่ดีๆเวลานั่งจะนั่งสมาธิแล้วทำให้จิตนิ่งสงบนี้มันไปๆ ไ, ไม่ได้ถ้าไม่ถ้าไม่ฝึกสติมาก่อนถ้ามานั่งสมาธิใจก็จะฟุ้งจะคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะว่าไม่มีสติที่จะคอยยับยั้งความคิดปรุงแต่งนี่งั้นก่อนที่จะมานั่งสมาธิให้จิตนิ่งสงบได้นี้ถ้าบอกให้เจริญสติให้มากๆก่อนให้เจริญสติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมานี้ก็พุโทโธพุโทโธไปเลย การท่องพุโทโธนี้จะทำให้เราลดความคิดลงได้เพราะถ้าเราคิดอยู่กับพุโทโธพุโทโธมันจะไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ได้พร้อมๆกัน mm. พยายามฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆแล้วต่อไปความคิดจะน้อยลง mm. แล้วเวลามานั่งสมาธิจิตก็จะนิ่งสงบรวมเป็นสมาธิได้เ mm. พราะเราสามารถควบคุมความคิดหยุดความคิดได้ด้วยสติ mm. สมาธิจะเกิดขึ้นมาได้ต้องมีสติเป็นผู้ให้ผู้เป็นเหตุสตินี้เป็นเหมือนพ่อแม่ของสมาธิก็ว่าได้แล้วสมาธิก็เป็นเหมือนผู้ที่จะไปสนับสนุนปัญญาอีกทีหนึง่งให้เปลี่ยนปัญญาจากความนึกคิดให้มาเป็นปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติเพราะการนึกคิดนี้ยังไม่ได้ขึ้นเวทียังไม่ได้ไปเจอของจริงเราคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายตอนนี้เราคิดได้ คว่าร่างกายของเราต้องแก่ต้องเจ็บตั้งตายเราคิดได้แล้วเราอาจจะคิดว่าเรายอมรับได้อยอมรับเราอาจจะยอมรับแต่กิเลสมันจะยอมรับหรือเปล่าก็ต้องไปไปทดสอบดูไปพิสูจน์ดูอ้ทาท่านเลยต้องไปอยู่ในป่ากันไปอยู่พอได้ยินเสียงเสือคำรามขึ้นมาก็จะได้รู้ว่าอยอมรับความตายได้หรือไม่ ถ้าได้ยินเสียงคำรานแล้วรู้สึกเฉยเหมือนกับเสียงฟ้าล้องธรรมดาฟ้าร้องไม่หวั่นไหวไม่วิตกกังวลออันนี้ก็แสดงว่าเป็นปัญญาจริงไม่ทุกข์แต่ถ้าเกิดอาการหวั่นไหวเกิดอาการหวาดกลัวขึ้นมานี่แสดงว่าปัญญาจริงยังไม่มีหรือไปนั่งสมาธิหลับตาแล้วเห็นนูน่นเห็นนี่เต็มไปหมดเห็นผีเห็นอะไรเต็มไปหมดหรือบางทีไม่ต้องนั่งสมาธิพอไปอยู่ที่มืดหน่อยได้ยินเสียงนูน่นเสียงนี่ขึ้นมา เห็นใบไม้เกิ่งไม้มันหิวมันพัดลมพัดหน่อยก็เกิดคิดว่าเป็นผีเป็นอะไรขึ้นมาอันนี้แหละมันเราหยุดมันได้หรือเปล่าหยุดความกลัวเหล่านี้ได้หรือเปล่า mm hmm. ถ้ามีปัญญามันจะดับได้มันจะรู้ว่าเป็นแค่สภาวะธรรมที่เกิดตั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไป mm hmm. เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้ mm hmm. มันจะ ใบไม้มันจะร่วงลงมากิ่งไม้มันจะหล่นลงมาบนหนังคาส่งเสียงขึ้นมาเราก็รู้ว่ามันเป็นแค่เสียงเท่านั้นเองเราอย่าไปปรุงแต่งว่ามันเป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาส่วนใหญ่พอม า, าอยู่ที่มืดแล้วได้ยินเสียงอะไรขึ้นมาก็เป็นผีทันทีเห็นอะไรเคลื่อนไหวนิดหน่อยขึ้นมาก็ผีมาแนละ้วมันเป็นเรื่องของความคิดปรุงแต่งที่หลอกเราถ้าเรามีสติมีสมาธิเราก็หยุดมันได้ทันที อยูุดนะความกลัวก็จะหายไปอันนี่คือการพิสูจน์เบื้องต้นต้องศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก่อนเมื่อรู้รู้แล้วว่าพระุทธเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติอะไรให้ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติมรรคแปดเนี่ยมรรคแปดก็คือศีลสมาธิปัญญาเองศีลก็คือสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาอาชีโวะสัมมากรรมโตก็คือการกระทําที่ถูกต้องการ ได้กการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่ดื่มสุรายาเมาเสัมมาวาจาก็ไม่พูดปลดไม่พูดคำหยาบไม่พูดเพ้เจ้อไม่พูดส่อเสียดอันนี้ก็เป็นสัมมาวาจาสัมมาชีวอาชีพที่ถูกต้องก็คืออาชีพที่ไม่เบียดเบียนผู้ไม่ทำอาชีพฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปยิงนกตกปลาไปฆ่าสัตว์ไปจับปลามาขายอย่างี้จับ อย่ปลามาฆ่ามาขายอะไรทำนองนี้อย่าไปทําอาชีพเหล่านี้เพราะมันเป็นบาปมันจะทําให้มีเวรมีกรรมแล้วเวรกรรมนี้มันจะมาขัดขวางการปฏิบัติธรรมได้คนที่มีเวรมีกรรมบางคนนี้ได้เข้าถึงพื่ศาสนาแล้วแต่ไม่มีโอกาสได้ปฏิบัติก็มีอาจจะตายก่อนเวลาก็มีเพราะเวรกรรมเก่ามันยังมีตกค้างอยู่ในใจอยู่ ดังนัอย่าไปสร้างเวรสร้างกรรมอย่าไปทำอาชีพที่เบียดเบียนผู้อื่นทำให้ผู้อื่นเข้าเสียหายหเดือดร้อนอันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของศีลสัมมากรรมโตสัมมาวาจาสัมมาวายาโมสัมมาชิวคือการกระทําที่ถูกต้องการพูดที่ถูกต้องแล้วก็การมีอาชีพที่ถูกต้องส่วนสมาธิก็ก็มีอยู่สาม กลุ่มของสมาธิก็มีสัมมาวายาโมการทำความเพียรด้วยการเจริญสติให้เป็นสัมมาสติและนั่งสมาธิก็จะได้สัมมาสมาธิอันนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มของสมาธิมรรคแบบนะฮ ะ, ะกลุ่มหน้าก็ยมีสามกลุ่มของศีลก็มีสามกลุ่มของสมาธิก็มีสามกลุ่มของปัญญาก็มีสองอีกสองนันก็สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปรสัมมาทิฏฐิก็คือความเห็นที่ถูกต้อง เห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยากกับกิเลสตัณหาต่างๆทุกข์ดับไปได้เขามีมรรคมรรคก็คือมีมีความเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่มีเราไม่มีเขาเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ<ม>เห็นตายรักษณเห็นอริยสัจ ส, สี่เรียกว่ามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วก็พอมีความเห็นที่ถูกต้องก็จะมีความคิดที่ถูกต้องสัมมาวะสัมมา สังกัปโป้คิดไปในทางที่ถูกก็คือคิดไม่ทําบาปเพราะทาบาปแล้วจะเป็นทุกข์คิดคิดละกิเลสละความโลภความโกรธความหลงอันนี้เป็นความคิดที่จะตามมาต่อไปผู้ปฏิบททัติธรรมก็จะสามารถที่จะปฏิบัติมรรคแปดได้โดยการใช้แนวของศีลสมาธิปัญญาอันเดียวกันอันนี้สำหรับนักบวชเนย สำหับคารวะผู้ครองเรือนี้ท่านก็เพิ่มอีกข้อหนึ่งเข้าไปเพราะคารวะยังคิดว่าการใช้เงินใช้ทองนี้สามารถระดับความทุกข์ได้เ mm hmm. ช่นเวลาทุกข์ใจก็ไปเที่ยวกัน mm hmm. ไปซื้อของฟุ่มเฟือยกันซื้อแหวนสักวงหนึ่งซื้อสร้อยคอสักเส้นอย่างนี้ความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นก็อาจจะหายไปชั่วข่าวแต่เดี๋ยวสองสามวันมันก็มันก็หายไปเดี๋ยวความทุกข์ความทุกข์ใจเก่ามันก็กลับมาอีก อันนั้นใช้เงินทองเท่าไหร่ก็ดับความทุกข์ไม่ได้คนสมัยนีจ้จึงบ้าหาเงินกันไงคิดว่าหาเงินมีทองมีเงินมีทองแล้วจะสามารถมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ซื้อรถไม่รู้กี่คันซื้อบ้านไม่รู้กี่หลังซื้อเสื้อผ้าไม่รู้กี่ชุดซื้อรองเท้าไม่รู้กี่คู่ซื้อกระเป๋าไม่รู้กี่ใบซื้อมาแล้วความทุกข์มันหายไปไหมมันไม่หายหรอกอาการใช้เงินทองเพื่อมาดับความทุกข์นี้มันกลับสร้างความทุกข์ให้มากขึ้น เพรามื่ใช้เงินทองแล้วก็ต้องไปหาเงินมาใช้นลหาเงินโดยวิธีที่เป็นสามาชีไม่ได้ก็ต้องเป็นมิจฉาชีพไปโกหกหลอกลวงเนี่ยนี่มีข่าวได้ข่าวดังข่าวใหญ่ให้เราได้ได้เห็นกันทุกวันใช่ไหมพวกทํามาหากินโดยโดยวิธีไม่สุดจริตเนี่ยหลอกลวงโกหกหลอกลวงชาวบ้านกันอาศัยความโง่เขาอาศัยความโลภ ข, ของชาวบ้านเนี่มาล่อเหยื่ อ, อลงทุนแค่นี้จะได้เท่านั้นนะ ลงทุนหนึ่งเท่าจะได้สิบเท่าภายในระยะเวลาสามเดือนนี้แล้วก็มีคนมาหลอกว่าฉันได้แล้วฉันได้แล้วมาเป็นเป็นเซลแมนให้อีกทีมันมันเป็นแนวทางของการลูกโซ่ก็เรียกแชร์ลูกโซ่เอนะาเงินของคนคนใหม่มาจ่ายคนเก่า คนเก่ามันก็ได้เงินมันก็คิดว่าเป็นเงินปันผลจากการลงทุนคจริงมันก็เอาเงินของของคนใหม่ที่มาสมัครร่วมลงทุนนี่เอามาจ่ายเท่านั้นเองมันไม่มีรายได้ของมันเองแต่คนไม่รู้ไม่ฉลาดไม่คิดไม่เป็นก็ถูกเ้าหลอกเอาก็เลยพอคนคนนี้ได้ลงทุนได้จริงๆก็เลยไปบอกเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงเพราะเห็นว่าเพื่อนคนนี้ไว้ใจได้เชื่อถือได้เอเขาได้เขาต้องไม่มาหลอกเราอย่างแน่นอนก็ไปทําตาม ช่วงแรกๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะมันมีเงินจ่ายเรื่อยๆแต่ต่อไปต่อไปมันเริ่มคนเข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนาะต้องจ่ายมันอาจจะจ่ายไม่ทันแล้วทีนี้ก็มีการมีการผ่อนแล้วมีการอ้างว่าต้องรอไปก่อนอย่างนู้นอย่างนี้หรือไอ้เจ้าของบริษัทเพื่อเตรียมตัวซื้อตั๋วเครื่องบินออกจากประเทศแล้วแหละมันไม่มันรู้ว่ามันหลอกกันได้ไม่นานหรอกของพวกนี้มันต้องโดนจับยต้องรู้กันอย่างแน่นอน ส่วนใหญ่ก็เป็นยังไงก็หายต๋อมไปพ อ, อเรื่องราเรื่องดันขึ้นมาก็หายไปจับตัวตามตัวหาไม่เจอแล้วไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนห อ, อันนี้ก็เกิดจากความโลภของคนเราร อ, อยากจะหาอะไรมาแบบง่ายๆหากินแบบง่ายๆ แ, แล้วก็คิดว่าการมีเงินการใช้เงินนี้จะทําให้ดับความทุกข์ใจได้ความไม่สบายใจต่างๆจะหายไปหมดมีแต่ความสุข มีแต่เอาความสุขกับของหรูหราของแบรนด์เนมต่างๆมันก็สุขเดี๋ยวเดียวสุขแค่ช่วงขณะที่เราได้ซื้อมาวันสองวันนั่นเองหลังจากนั้นแล้วมันก็ขิวอยากจะได้ของใหม่เพิ่มมีเรื่อยๆพอใช้เงินเรื่อยๆมันเงินที่ใช้อยู่มันก็ไม่พอใช้มันก็ต้องไปหาเงินโดยวิธีมิชอบไม่ mm. โกหกหลอกลว ง, งแล้วก็ในที่สุดก็ถูกเขาจับไปติดคุกติดตารางหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องหนีไปอยู่ที่ รีภัยไปอยู่ที่ประเทศอื่นต่อไปเนี่ยมันเป็นไม่ใช่เป็นวิธีดับความทุกข์ด้วยเงินทอง uh huh. วิธีที่จะดับความทุกข์ด้วยเงินทองก็คือเอาเงินทองนี้ไปทําบุญเสียเ uh huh. ก็บไว้เท่าที่จําเป็นเวลาเงเร า, เราทําบุญนี่เราจะมีความสุขใจ uh huh. เราจะมีความสบายใจอิ่มเอิบใจที่เราได้เสียสละเราได้ตัดความตนีเราได้ตัดความยึดติดในข้าวของเงินทองต่างๆ uh huh. อันนี้แหละเป็นวิธีถ้ายังมีเงินทองอยู่เอาไปทําบุญให้หมดเก็บไว้เท่าที่จําเป็นถ้าอยากจะมีความสุขจากเงินทองที่เรามีอยู่แต่ถ้าเราไม่มีเงินทองเลยจะทำบุญเลยก็ไม่ต้องทําเลยไม่ต้องกังวลเนื่องทานนี้มีไว้สำหรับคนที่ใช้เงินทองในเครื่องดับทุกข์แต่ถ้าเราไม่มีเงินทองมาใช้เป็นเครื่องดับทุกข์เราก็ไม่ต้องกังวลอย่าไปหาเงินทองมาเพื่อเอามาทําบุญมันก็จะวนอยู่ในอ่างมันไม่ได้ไปไหน บางคนคิดว่าทําบุญเยอะๆแล้วจะร่าไปสวรรค์ไปนิพพานโดยทันทีก็เลยขยันไปหาเงินมาเพื่อจะเอามาทําบุญมันไม่ใช่อย่างนั้นมันก็มันก็ได้แค่สวรรค์แต่มันก็ต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทําบุญแล้วมันก็จะติดอยู่กับการหาเงินหาทองอยู่ต่อไปมันทางที่ดีก็คือเราต้องไม่ยึดติดกับเงินทองไม่ใช้เงินทองเป็นเครื่องดับทุกข์ ใช้ได้แต่ดับทุกทางร่างกายได้เงินทองนี้มีไว้สนับดับความทุกทางร่างกายหรือปัจจัยสี่ร่างกายต้องการปัจจัยสี่ต้องมีอาหารมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมีเครื่องนุ่งหม่มเราก็ต้องซื้อมาให้ร่างกายพอเลี้ยงมันอยู่ได้ก็พอนอกนั้นั้นเงินทองก็ไม่มีประโยชน์อะไร<ม>เก็บไว้ก็จะเป็นภาระเพราะเราจะต้องวิตกกังวลห่วงใยว่าเงินทองจะอยู่กับเราแบบไหนถึงจะปลอดภัย แบบไหนถึงอยจะให้มันงอกงามขึ้นมาอีกก็จะมาวุ่นวายกับการดูแลรักษาเงินทองจะทําให้เราไม่มีเวลาไปปฏิบัติธรรมกันเห็นทางที่ดีก็อย่าไปใช้เงินทองเป็นเครื่องดับทุกข์ใจใช้เงินทองไว้ดสำหรับเลี้ยงดูร่างกายเพื่อที่เราจะได้เอาร่างกายของเรานี้ไปให้กับการปฏิบัติถ้าเราไม่ต้องใช้เงินทองเราก็ไม่ต้องไปหาเงินทองกัน เมื่อเราไม่หาเงินทองเราก็จะมีเวลามาให้กับการปฏิบัติได้นะนี่คือบางทีคนเรานี่ไม่สามารถไปปฏิบัติทำได้ก็เพราะว่าติดงานติดการต้องหาเงินหาทอง<ม>โดยไม่รู้หรอกว่าเงินทองที่หามาได้ไม่ได้เป็นเครื่องดับความทุกข์ให้กับตนเองได้เลย<ม>หาเงินได้หาเงินเท่าที่จาเป็นหามาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองท่านั้นก็พอ ถ้าเลี้ยงปาเลี้ยงทองไม่จำเป็นจะต้องทํางานเจ็ดวันหรอกทั้งอาทิตย์อาจจะทําแค่วันสองวันก็พอมีเวลาเหลือให้ไปกับการศึกษาทําปฏิบัติธรรมต่อไปได้แล้ว <Yeah. S 1> ยิ่งได้ศึกษาปฏิบัติธรรมเท่าไหร่ใจยิ่งจะมีความสุขมีความอิ่มความพอมากขึ้นไปเท่นั้นความต้องการที่จะใช้เงินทองก็ลดน้อยหายไปอยู่เรื่อยๆจนมันไม่มีความจําเป็นที่อยากจะใช้เงินใช้ทองเลยก็ได้ก็สามารถไปอยู่แบบนักบวชต่อไปได้ไม่บวชได้ yeah. ถ้าได้บวชแล้วก็เหมือนกับได้ขึ้นทางด่วนได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ<ม>การบรรลุมรรคผลนิพพานการกำจัดความทุกข์ต่างๆก็จะเป็นไปได้อย่างง่ายดายและรลวดเร็ว<ม>อันนี้ก็สนทนารรมาพอสมควรแก่เวลา<ม>ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอ ขออนุโมทนาให้ผ่อนยะถาวะริวาหาปูราปาริปุเรนติสาขังเอวเมวะอิโตจินังเปตานาังอุ ป, ปกับปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังทิพเมวะสนิจโตุสะเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนาระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติยวิวัจจันโุสัพพโควินาสตุมาเตภวัตวันตรายยสุขิทิคายุโกภวา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 วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติอภิชาโตสามร้อยสามสิบสองคน YouTube, พระสุชาติไลฟ์สามร้อยห้าสิบสองคน YouTube Dr.V c h ร n ว e ช25ลยี่สิบห้าวิทยุออนไลน์สิบเอ็ดคลับเฮ์สี่ผู้รับฟังธรรมนาคุติหนึ่งร้อยสี่สิบคนรวมทั้งหมดแปดร้อยหกสิบสี่ครับมีคำถามไหม คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามเพิ่งรู้ว่าคนที่คบหากันมาสิบเก้าปีคบกับคนอื่นมาตลอดเก้าปีที่ผ่านมาและตอนนี้เขาบอกว่าจะไปสร้างบ้านที่อยู่อาศัยอยู่กินกับอีกคนหนึ่งและจะจดทะเบียนกัน กราบเรียนพระอาจารย์ให้ข้อธรรมเพื่อรักษาใจไม่ให้คิดพยาบาทกับทั้งสองคนพยายามให้อภัยและบอกทั้งสองคนว่าเรายินยอมแล้วแต่บางครั้งก็ยังรู้สึกโกรธและมีจิตคิดพยาบาทครับเราต้องมองเขาว่าเขาเป็นเหมือนดินฟ้ า, าอากาศเหมือนฝนตกแดดออกเลวลาฝนตกแดดเราเราไม่ค่อยโกรธใช่ไหมเดินไปตากฝนนี่เราไม่ไปโกรธฝน แดดออกเดินไปมันร้อนเราก็ไม่ไปโกรธความร้อนเพราะมันเป็นเรื่องของธรรมชาติ<ม>เป็นเรื่องที่เราควบคุมบังคับไม่ได้คนนี้เราก็ควบคุมบังคับเขาไม่ได้เขาจะชอบเราหรือไม่ชอบเราเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้เขาจะไปชอบคนอื่นเราก็ห้ามเขาไม่ได้เขาอยากจะไปอยู่กับคนอื่นเราก็ห้ามเขาไม่ได้ให้มองอย่างนี้มองทุกอย่างว่าเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศพระเจ้าบอกสัพเพธรรมานตา ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนเราเขานี่เป็นเพียงแต่สมมุติเราสมมุติกันขึ้นมาแล้วเราก็ไปบัญญัติว่าเขาต้องซื่อสัตว์เขาต้องซื้อตรงอะไรอย่างนี้อันนี้มันเหมือนกับไปบังคับให้ฝนมาต้องตกเวลานั้นต้องตกเวลานี้นะเวลานั้นไม่ให้ตกมันบังคับไม่ได้ของพุ่งนี้ <Yeah. S 1> ฝนมันอยากจะตกเ ม, มื่อไหร่บางทีบางทีก็ตกได้ทั้งหน้าร้อนหน้าหนาว <c oughs> แล้วมันอยู่ที่เหตุมีปัจจัยเหตุ มีเหตุมีปัจจัยให้มันไปเกิดขึ้นมันก็เกิดทันใดคนก็เหมือนกันคนรักกันวันนี้ถ้ามีเหตุมีปัจจัยทําให้เขาไปรักคนอื่นเขาก็ไปรักคนอื่นต่อได้อถ้ารักกับแล้วบางคนเขาชอบคนที่ร่ํารวยกว okay. ่าเรานี้พอมีคนร่ํารวยกับเขามาฉีากเขาเขาก็ไปกันก็ได้เพราะฉะนั้นมันมีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้เขาก็เปลี่ยนไปเราก็อย่าไปมองเขาว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นคน มองว่าเป็นธรรมชาติเป็นเหมือนฝนเหมือนแดดเวลาฝนตกแดดออกเราไม่โกรธฝนหรอกเพราะเรารู้ว่าเราห้ามเขาไม่ได้เขาต้องเป็นอย่างนั้นเวลาคนที่เขาไม่รักเราเขาไม่ชอบเราเขาจะไปอยู่กับคนอื่นเราก็ห้ามเขาไม่ได้ไปโกรธเขาก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรโกรธไปก็ทุกข์ไปเปล่าๆเขาไม่ได้ทุกข์กับเราหรอกเขาไม่ได้ทุกข์กับความโกรธของเราเขาแฮปปี้ของเขาไอ้เราเนี่ยมาโกรธเขาทําไม เมื่อเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปเขาเท่านั้นเองเป็นเรื่องที่เราควบคุมบังคับไม่ได้เป็นอนัตตาให้มองทุกอย่างว่าเป็นอนัตตาแล้วเราจะไม่ทุกข์กับอะไรคำถามจากท่านต่อไปทาง Facebook YouTube เวลาที่จิตเราฟุ้งซ่านมากๆบริกรรมพุทโธจะมีอาการปวดหัวเราต้องหยุดบริกรรมหรือไม่ครับก็อยู่ที่ว่าํำบริกรรมช่วยให้ความทุกข์หายไปได้หรือไม่ ถ้าความทุกข์หายไปได้ก็บริกรรมไปอาการปวดหัวนี่บางทีมันเป็นผลข้างเคยียงที่เกิดจากการที่เราบังคับใจไม่ให้ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เลยเกิดอาการปวดหัวขึ้นมาแต่ถ้าเราบริกรรมไปจกนกระทั่งความทุกข์ใจหายไปว่าใจเราสงบแล้วอาการปวดหัวมันก็จะหายไปเองคำถามต่อไปจากคุณจุธาทิพย์ ถ้าเรามีที่ให้เช่าแล้วผู้เช่าติดต่อมาจะขอเปิดร้านเหล้าเบียร์กัญชาหากเราให้เขาเช่าทำธุรกิจแบบนี้เราจะบาปไหมครับเราก็ได้เราก็มีส่วนร่วมในการทําอาชีพที่ไม่ไ ม, ไม่ไม่ควรสำหรับชาวพุทธเรเพราะว่าเป็นอาชีพที่ไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้อ่นต่อไปได้คนมาซื้อสุรามาดื่มเมาแล้วเดี๋ยวก็ขับรถไปชนคนนั้นชนคนนี้ เพื่อไปทะเลาะวิวาสไปทำาทำ ไ, ไปทำร้ายผู้อื่นได้เพราะฉะนั้นเราไม่ควรที่จะส่งเสริมสนับสนุนเรือได้รับผลประโยชน์จากอาชีพต่อนี้คำถามต่อไปจากคุณเอเคการอบรมเวิร์กช็อปผลิตภัณฑ์ปลาจัดโดยและใช้สถานที่อบรมคือคณะเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดสมัครอบรมแล้วครับแต่เร็วๆนี้ นึกได้ว่าจัดที่นี่คงใช้ปลาที่คณะเพาะเลี้ยงมาเป็นวัตถุดิบการแปล ร, รูปเลยคิดว่าไม่ไปดีกว่าไหมครับสงสัยจะบาปครับคือการไปศึกษานี่มันก็ยังไม่บาปนะแต่ก็ไม่ควรที่จะไปศึกษาเรื่องที่เราจะต้องไปทำให้ผู้อืนเขาเสียชีวิตถึงแม้เราจะได้รับประโยชน์แต่มันเป็นประโยชน์บนกองทุกขของคนอื่น ปลามันตายเนี่ยมันทุกข์หรือไม่ทุกข์เราสูขเพราะว่าเราฆ่าเราไปฆ่ามันเพื่อเราจะได้เอามันมาขายเพราะฉะนั้นก็เป็นเป็นการกระทําที่ไม่ควรไม่ไม่ถูกต้องจะบาปมือไหมจะหนักหรือเบานี้ก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ขนาดไหนแต่รู้ว่าไม่ควรจะทําอย่างแน่นอนไม่ควรเบียดเบียนผู้ขาดความเมตตาอย่างน้อยก็ขาดความเมตตาพอเราต้องมีความเมตตาต่อกัน เมตตาคําจุนโลกโลกเรานี้จะอยู่กันอย่างมีความสุขได้เพราะความเมตตาทต่วันนี้ที่โลกเราอยู่กันอย่างทุกข์อย่างเดือดร้อนก็เ พ, เพราะเราขาดความเมตตากันที่ไหนมีสงคารามที่นั่นไม่มีความเมตตามีแต่ความอาฆาตพยาบาทมีแต่กิเลสตัณหาความโลภความอยากที่จะเอาชนะอยากจะได้ผลประโยชน์<ม>ก็เลยนําไปสู่การฆ่าฟันกันเพราะไม่มีความเมตตา ถ้ามีความเมตตาแล้วเราจะไม่กระทำอะไรที่ทำให้ผู้อ่นเสียหายเดือดร้อนยังไม่มีคำถามเข้ามานะ เ, เดี๋ยวนั่งรอสักแป๊บหนึง่งอาจจะมีคำถามเข้ามาต่อไป <c oughs> ถ้าใครอยากอยู่ที่นี่ใครอยากจะถามก็เข้ามาถามได้มีไมโครโฟนให้ถาม <c oughs> ถามตอนนี้สะดวกนะพอน เ, เดี๋ยวเลิกก็จะไม่สะดวกจะตอบนะอย่ามาอย่าเสียใจอย่ามาว่าเราไม่ได้นะ Ah, and then e can put the g microphone would like... closer to the microphone. I would like to know if you have any advices for young couples who start their careers abroad, uh, how to make it uh, successful and peaceful. Thank can you. you uh, can you please speak louder, please? How do you suggest for young couples who live abroad to make their relationship peaceful and successful uh, when they are still young? The Buddha said, wherever you are, when you live with people, you have to practice loving kindness. You have to be friendly to people that you live with. Don't try to hurt other people. Do make people happy. So this is basically what is important is. To have metta in, in in in Buddhist terminology, meaning you have to have love and kindness toward other people. Whatever you do, do not hurt other people or harm other people. Then you can be happy wherever you are. Okay. Anything else? Understand? Okay. I also have a question. Uh, oh, when, when you are worried and you speak a lot because you want to express your worries, um, do you have any? Um... You have to calm your mind, calm your thoughts by reciting a mantra: b u t o h b u t d h b u t d h b u t d a If you can stick with b u t t o for maybe five minutes, then your your thoughts will disappear, mm -hmm. and y o u your mind will feel calm, peaceful, and happy. Mm -hmm. So whenever you are not happy, restless, agitated, anxious, just keep reciting the mantra. Butto butto. Okay. Can you do that? Mm, yes. And also, how um, do you prepare yourself for eventually being hurt by the people you love? Prepare yourself by uh, by by people who who will hurt you. Who? Yes. Well, you have to. Look at things as not not something you can rely on all the time. Things keep changing, people keep changing. So one day they might change from liking you to hating you or not liking you. So you have to teach your mind to be be prepared to face the change when things happen. We cannot expect things to remain the same all the time, because everything changes, condition changes. People change, so you just have to to know that there, something will happen and change, and be ready to accept them. Mm. I see. Thank you very much. Huh? Okay. Okay. okay, you're welcome. b o n n e y e s t i o n come up? ครับคำถามต่อไปจากคุณปริตภาการหาเงินเพื่อหวังเอาเงินมาทำบุญไม่ควรใช่ไหมครับควรเอาเวลามาปฏิบัติธรรมมากกว่าใช่ไหมครับถูกต้องจะได้ประโยชน์มากกว่าบุญที่เราได้ประโยชน์ที่เราได้จากการทำบุญทำทานนี้น้อยกว่าประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการปฏิบัติธรรมเั้นถ้าเราสามารถเอาเวลาไปปฏิบัติธรรมได้ก็อย่าไปเสียเวลากับการไปหาเงินมาเพื่อทาบุญ การทำบุญนี้สำหรับคนที่มีมีของที่จะทำอยู่แล้วอของที่เก็บไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรตายไปก็ไปไม่ได้อเอาของเหล่านี้มาทำบุญได้แต่ถ้าเราไม่มีของทำบุญอย่าไปหาของมาทำบุญอเอาเวลาที่ไปหาของไว้ทำบุญนี้ไปปฏิบัติธรรมดีกว่าจะได้บุญมากกว่าคำถามต่อไปจากคุณดวงพร เมื่อได้รับมอบหมายให้ทํางานที่มีความรับผิดชอบสูงทั้งที่ไม่อยากรับแต่ก็จําเป็นต้องทําเราจะใช้ธรรมะในการทํางานอย่างไรบ้างครับก็ทําให้ดีที่สุดส่วนผลจะออกมาอย่างไรก็อย่าไปกังวลกับมันคือเราต้องทําด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเมตตากับคนอย่าทําเพื่อปุ๊บเอาเอาเป้าหมายที่ผลอย่างเดียว แล้วไม่สนใจว่าจะไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายลาบากแก่ผู้อื่นหรือไม่ต้องดูการกระทําของเราว่าเป็นการกระทําที่เหมาะสมหรือไม่ที่เป็นคุณเป็นประโยชน์ไม่เกิดโทษกับผู้อื่นหรือไม่แล้วส่วนเป้าหมายนี้ก็แล้วแต่มันจะเกิดขึ้นมาถ้าเกิดขึ้นได้ก็ดีถ้าเกิดขึ้นไม่ได้ก็ช่วยไม่ได้แต่เราต้องเราต้องถือการกระทําเป็นหลักมากกว่าผลที่จะเกิดจากการกระทํา ถ้าเราไปกระทำทำให้ผู้อื่นเสียหายหเดือดร้อนถึงแม้เราจะได้ไประโยชน์ได้ผลที่เราต้องการมันก็ไม่คุ้มค่าเพราะจะมันไปสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นแล้วม่นจะสร้างเวรสร้างวันสร้างเวรสร้างกรรมให้กับเรากลับมาหาเราคําถามต่อไปจากคุณสรสิทธิ์การภาวนาพุทโธขณะทําภารกิจเช่นอาบน้ําแปลงฟันควรทําหรือไม่ครับหรือควรโฟกัสกับภารกิจครับ ได้ทั้งสองอย่างนะโฟกัสไปด้วยพุโทโธไปด้วยก็ยิ่งดีมันจะได้เป็นเหมือนมีเชือกสองเส้นไว้คอยดึงใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆแต่ถ้าเราโฟกัสได้อย่างเดียวไม่ต้องไม่ต้องพุโทโธก็ได้ถ้าใจไม่ไม่ลอยไปคิดเรื่องอื่นเพียงแต่เฝ้าดูการกระทํา ข, ของร่างกายเพียงอย่างเดียวได้ก็ดีแต่บางคนบางทีขนาดดูแล้วมันยังเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็บางทีต้องอาศัยพุโทโธพุโทโธมาช่วยอีกชั้นหนึ่ง คำถามต่อไปจากคุณไทยการท่องพุโทโธนั้นเราก็ทำในชีวิตประจําวันโดยไม่นั่งสมาธิได้หรือไม่ครับถูกต้องวิธีเจริญพุโทโธนี้เป็นการเจริญสติก่อนที่จะมานั่งสมาธิและเวลานั่งสมาธิเราก็สามารถใช้พุโทโธต่อได้เลยเพราะว่าถ้าเรามีพุโทโธเราจะควบคุมความคิดไว้ได้และเวลานั่งสมาธิจิตก็จะสงบนิ่งได้ไดง่ายกว่าเวลาที่เราไม่มีพุโทโธควบคุมใจมาก่อน คำถามต่อไปจากคุณหนึ่งฤทธิไทยหลังจากการสวดมนต์แล้วนั่งภาวนาต่อพยายามจะพุโทโธแต่สังเกตตัวเองว่าจะเผลอคิดนั่นคิดนูน่นแล้วก็ฟุ้งซ่านครับยังไม่ค่อยสงบแบบนี้ควรแก้ไขอย่างไรครับก็วสวดมนต์ต่อไปก่อนให้การสวดมนต์คอยระงับความคิดปรุงแต่งไปก่อนขณนะนั่งสมาธิก็สวดได้นั่งหลับตานั่งท่าสมาธิแล้วก็สวดมนต์ไปภายในใจ ถ้ามีการสวดมนต์โอกาสที่ใจจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ยากขึ้นแต่ถ้าไม่มีการสวดมนต์เลยถ้าเป็นการบริการพุโทโธนี่บางทีมันมันสั้นแล้วก็มันอาจจะทําให้เราเผลอง่ายแต่ถ้าเราต้องสวดบทยาวๆนี่มันจะทําให้เราเผลอยากกว่าเพราะฉะนั้นก็บางทีต้องใช้การสวดมนต์ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าใจจะหายฟุ้งซ่านแล้วค่อยใช้พุโทโธหรือใช้ดูลมหายใจเข้าออกต่อไป มีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีก็จะขอยุติการสนทนาธรรมไว้เพียงเท่านี้โอกาสหน้าถ้ามีเวลาว่างก็มาถามกันใหม่ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิษ์พิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเทิญ